เพิ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้ดีการสํารวมนี่เนปาเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำคนไม่สํารวมใจนั่นแหละใจ ใจยังได้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นอยู่กับที่ได้ถูกสัญหามันฉุดคลาเอาไปตามความประสงค์ของมันคนเรานั้นไม่รู้จักศัตรูไปเห็นมองเห็นแต่ศัตรูภายนอกนุ่น ระวังแต่ศัตรูภายนอกแต่ศัตรูภายในคือกิเลสตัณหานี่มองไม่เห็นและสำคัญว่ากิเลสตัณหานี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับชีวิตของตนดังนั้นนะจึงได้เลี้ยงตัณหานี่ไว้ จึงไม่พยายามจะขจัดมันออกไปจากดวงขีดนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมองเห็นแล้วว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตตัวร้ายกาศติดพันไปในวัตาสงสารขนันนับชาติไม่ทวน มันไปก่อความทุกข์ความยากลำบากต่างๆให้นานาประการนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึงได้ทรงเบื่อหน่ายในกิเลสตัณหาต่างๆเพราะเพราะองค์เบื่อหน่ายนั่นแหละจึงได้พยายาม สั่งสมบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นในขันธสันดานเพราะทรงมองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมากำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากดวงใจนี้ได้นอกจากบุญกุศลสติปัญญาแล้วไม่มีอย่างอื่นไม่มี บุคคลจะมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถละกิเลสตัณหาได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบุญกุศลความดีต่างๆไปโดยลำดับไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำความดีอะไรปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทาโดยเฉพาะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆม น, นี้นะมันเกิดขึ้นจากการกระทานะบางทีมันก็ประปรากฏผลในปัจจุบันนี้เนื่อง่าแต่การกระทา ความดีหรือความชั่วมาในอดีตทนหลังนุ่มเร่องนีบางทีมันก็มาทำกรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนี้มันก็ปรากฏผลขึ้นในปัจจุบันก็มีอันเรื่องอย่างนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้เลยแต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนีนะ้ส่วนหลายแล้วก็ ได้ให้ผลในอนาคตแต่ที่ให้ผลในปัจจุบันนั้นคือให้ผลทางจิตไม่ใช่ให้ผลทางร่างกายเมื่อบุคคลทำความดีก็ย่อมดีใจใจดีใจเบิกบานผ่องใสตรงกันข้ามบุคคลกระทำความชั่ว ก็เสียใจหรือว่าใจเศร้าหมองขุนมัวไม่ค่องใสลักษณะของความชั่วมีแต่ทำใจให้มัวหมองเราจะไปมองลักษณะของความชั่วภายนอกม่นไม่เห็นหรอกต้องมองดูในดวงจิตนี่ ถ้าจิตมันโลภขึ้นมาจิตมันโกรธขึ้นมาเวลาใดนั่นแหละความชั่วมันปรากฏให้เห็นอยู่ในใจนั้นแล้วถ้าระงับไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจานั่นถึงได้รู้ว่าบุคคลนั้นชั่ว น่นแนะเมื่อับใจได้แล้วความชั่วเหล่านั้นมันจะแสดงมาทางกายทางวาจาไม่ได้เลยมันก็หายไปความบะพฤติทางกายวาจาก็เป็นปกติดังนั้นเลยโดยเหตุผลแล้วจิตนี่นะจึงสมควรฝึกโดยแท้จริง จึงสมควรสำรวมระวังอยู่เรื่อยไปไม่ว่าการไหนๆต้องมี ส, สมติสัมปชัญญะสำรวมจิตเรื่อยไปเมื่อสำรวมเรื่อยไปนี่จิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันก็เป็นปกติอยู่จะยืนก็ดีเดินก็ดี นั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็เป็นปกติอยู่แต่จะมาให้มันคิดอะไรเลยนะมันไม่ได้มันต้องคิดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติรู้เท่าความคิดของตัวเองตนคิดดีก็รู้ว่าตนคิดดี ตนคิดชั่วก็รู้ว่าตนคิดชั่ว เ, เมื่อรู้ว่านี่ของคิดอย่างนี้มันชั่วนะมันเป็นโทษเช่นนี้มันก็จะได้กําหนดละ น, นั่นแหละจะไม่คิดไปพราะมันระลึกได้เล ย, นเนยถ้าตนคิดดีก็รู้ว่าตนคิดดีการคิดดีมันก็มีหลายขั้นตอน คิดดีคิดอยากจะไปทำมาค้าขายอย่าไปทำนาทำสวนหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็จะเอามาทำบุญทำทานบ้างเลี้ยงครอบครัวบ้างเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลบ้างเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงผงที่มาเยี่ยมเยือนบ้าง แล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องผู้วายชนไปสู่โลกหน้าบาังอะไรพวกนี้นะบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบผู้มีศีลทรรมบันดีงามในการคิดอย่างนี้นะท่า น, นเียว่าคิดดีคิดนั่นได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วยแต่ว่าคิดแล้วก็ต้องลงมือทำนี่พูดถึงสำหรับผู้ครองเลือนนะถ้าเป็นนักบวชหักไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยผิดทางของนักบวชมันต้องห้ามความคิดเช่นนั้นก็ต้องมาคิด ทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์ในสงสารนี่ไปได้จึงจะพ้นจากความเกลีแกรความเจ็บความตายอันนี้ไปได้ทำอย่างไรจึงจะพ้นไปจากอํานาจแห่งกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้เพราะคิดอย่างนี้ดํำรีอย่างนี้มันจึงถูกแนวทางของนักบวช มันก็เป็นขั้นตอนอยู่เนี่ยในระหว่างนักบวชกับผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้นต้องดลิให้มันถูกต้องถ้ามันหยุดคิดไม่ได้จริงๆก็ต้องให้มันคิดให้เป็นไปตามสานองครองธรรมมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรนักข้อสำคัญนะมันอยู่ที่สติสัมปชัญญะนี่ กำหนดรู้เท่าเรื่อยไปรู้ว่าความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆหมดนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นกาหนดรู้อย่างนี้นะเรื่อยไปแต่แล้วมันก็มาแยกกันตรงที่ว่าความคิดที่เป็นบาปเป็นโทษนะั้น เราพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยเตือนใจไม่ให้มันคิดขึ้นอย่างคิดโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะถ้าเป็นครือขัสคิดโลภอยากไปได้ภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนหรือผู้หญิงก็คิดอยากจะได้สามีของคนอื่น มาเป็นสามีของตนนี่ท่านในว่าโรบในผัวโรบในเมียผิดทางของผู้ครองเรือนสำรวมระวงังจิตไม่คิดโกรธคนโน้นโกรธ ค, คนนี้นี่อันนี่ก็ผิดทางเหมือนกันถ้าไปคิดโกรธคนโน้นคนนี้อยู่ในใจเพราะว่า ความโกรธนะมันเป็นสิ่งที่ทำใจให้ขุนมัวเศร้ามองเป็นบาปอักูสนดังนั้นก็ต้องมีสติระลึกใครได้ต้องระลึกไว้แต่เนื่นนั่นซะก่อนถ้ามันอยากคิดอย่างนี้ก็มันคิดถึงเรื่องหมู่นี้นะคิดจะเห็นโทษเห็งความโลภห้เห็นโทษโหเห็นความโกรธหมู่นี้ ความโกรธมันให้โทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นระลึกพิจารณาไปเมื่อมันเห็นโทษเห็นความโกรธนั่นแหละมันก็ระมัดระวังมาดินะไม่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นในใจอืมแล้วก็ดําำริตรองดูจิตเนี่ยมันยังหลงอยู่หรื อ, อยังไงอ่ะน่ มันยังไม่รู้แจ้งอะไรบ้างมันหลงอะไรบ้างตามกำหนดรู้ความคิดความนึกความคิดความเห็นความรู้สึกในใจนี่ทุกคนเมื่อมีสติสมัมปชัญญะตามรู้อยู่อย่างนี้มันก็รู้ได้แต่ตนยังหลงอยู่อะไรยังไม่รู้แจ้ง เรื่องอะไรมันก็รู้ถ้าเรามีสติสมบัติะติดตามจิตนี้อยู่เสมอนะอ่ะเออเรามันยังหลงอยู่ในเรื่องนี้อย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าตนหลงอยู่ในเรื่องนี้ก็กาหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้มันชัดเจนลงไปนั่นน่ะให้มันเห็นลง เป็นแต่สักว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเพราะการที่จิตมันหลงมันไม่ใช่หลงในสิ่งที่ไม่มีมันหลงในสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเส้นหลงในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหูนี่นะ รู้แต่มันมีมันปรากฏอยู่ที่ตาหูจมูกลิ่นกายใจในี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่นี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่มันไม่มีรูปใดที่จะเที่ยงยั่งยืนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันเพราะว่าเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้อาศัยรูป กับจิตนี่แหละรูปกับจิตสัมผัสกันเข้าก็จึงค่อยมีเสียงขึ้นมามีกลิ่นมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ปรากฏในลิ้นปรากฏในวิญญาณความรู้สึกสัมผัสต่างๆหมดนัน่ะนี่ถ้าเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรกระทบกายนี่มา ก็จึงเกิดความรู้ขึ้นท่านก็เรียกว่าพัสสะอันมนีนะอาศัยรูปกายอันนี้เองนะก่อให้เกิดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันเกิดมาจากอย่างอื่นนะดังนั้นเมื่อเรามารู้แจ้งในรูปกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้ว มันก็รู้แจ้งในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆนั้นได้เหมือนกันแหละถ้ามาหลงรูปอันนี้แล้วมันก็หลงเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันเพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะดังนั้นเนี่ยเราต้องกําหนดเพ่งพิจารณาให้มันเห็นชัด ตามเป็นจริงอย่างว่านี้นะมาเพ่งกระจายรูปต่างๆออกไปดูแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีสาระแก่นสารอะไรนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นต้นไปก็ลองเพ่งดูก็จะไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนอยู่เฉยๆนั่งภาวนาะน นั่งแล้วก็เพ่งดูในสิ่งที่ตนรุ่มหลงอยู่เนี่ยทำไมมันจึงหลงยินดีกำนัดพอใจมากมายนักมันวิเศษอย่างไรบ้างอันผมบุนีเห็นเขาดัดแปงตกแต่งมีลักษณะอาการต่างๆเรเห็นเขาแล้วตื่นตาตื่นใจแม่สวยจังเพราะว่านั่นเ่ย แทาที่จริงแล้วก็ตกแต่งธาตุดินนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดผมก็ธาตุดินมันจะมีอะไรล่ะวิเศษที่โสอยู่นั้นคนเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้ก็ธาตุดินทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าว่าไม่เพ่งพิจารณาบ่อยๆแล้วมันก็จะหลงมันหลงอยู่นี่ก็เพราะ ไม่ได้เอาใจจดจอ่อไม่ได้พิจารณาสเสมอสเสมอนั่นเองเนี่ยคนเราเนะี่ยบางคนถ้าจะกําหนดเอาสิ่งพนี้มาพิจารณากลัวมันจะเบื่อหน่ายมันจะไม่สนุกสนานออมันจะไม่กําหนัดกินดีอย่างมากรสชาติแห่งความกหนัดจะหายไป เพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อมันกำหนัดขึ้นมาแล้วก็เสวงหาสิ่งที่ตนมีความกำหนัดยินดีอันนั้นไอ้ได้มาสัมผัสถูกต้องอะไรต่ออะไรไปแล้วนึกว่าตนจะมีความสุขสบายดีนี่นะความเข้าใจของคนเรานะ่ะ แท้ที่จริงเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงเขียงอยู่ได้สัมผัสกับรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นว่าเป็นสุขสบายมันก็เป็นสุขชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยไม่ได้เป็นสุขยืดยาวนานอะไรเลยคนก็มาติดความสุขชั่วขณะหนึ่งนี่นะชั่วสร้าง พับหูช่วงงูแลบลิ้นโบราณท่านว่าไว้ไม่มีผิดดังนั้นคนเรามันถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเสียใจเศร้าโศกเนื่องจากว่ามันมาติดอยู่ในความสุขอันไม่เป็นแกนสารเมื่อความสุขเหล่านั้นหายไปใจก็ห่อเหี่ยวไม่เบิกบานผองใส ยึงได้สแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวไปบางคนสแสวงหาอย่างไรไม่เจอก็มีไม่ได้ก็มีอันนี้เพราะว่าตัวบุญน้อยนี่นเมื่อตอนมีบุญน้อยอย่างนี้อยากได้อะไรก็อยากได้เจ้ของสวยๆงามๆของมีค่ามากานี่มันจะไปได้มาจากไหนตน ตอนไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีไว้ในปางก่อนโน้มแล้วมันไม่มีบุญกุศลแต่หนหลังเนี่ยมาตกแต่งให้นี่ไม่มีทางละอัได้อะไรนนไมันจะไปได้สมดังความมุ่งมา่นปรารถนานะเพราะอะไรนะเพราะไม่มีเงินจะไปซื้อเรื่องมันน่ะเหตุที่ไม่มีเงินก็เพราะไม่ได้ทําบุญทําทานไว้แต่ก่อน ผนทานไม่มาอานวยให้เช่นนี้คนประมาทไม่ทำกุศลคุณงามความดีแต่ชาติก่อนอย่างนี้มักจะไปทาความชั่วมากกว่าความดีถ้าทำความดีกันนิดๆหน่อยๆหนึ่งความดี น, นั้นน่ยมันก็นำดวงกิจไปเกิดในตระกูลคนยากคนจน ต่างๆอย่างนี้อะ <c oughs> แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของอะไรอะ <c oughs> ไม่อยากได้อะไรสวยๆงามๆอย่างนี้มันจะได้ที่ไหนล่ะ <c oughs> ตนไม่มีเงินจะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเขาอะ <c oughs> แม้อย่างว่าหนุ่มสาวก็เหมือนกัน นมอยากได้มีสวยสวยๆงามๆอย่างนี้จนไม่มีเงินแหละจะไปแต่งเขาอ่ะไปสู่ขอเขาแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ผู้หญิงสาวก็เหมือนกันเมื่อตนมีบุญน้อยแล้วก็อยากได้ผู้ชายผู้ชายที่มีตระกูลสูงพ่อแม่ร่ำรวย มีฐานะดีอย่างนี้นะแล้วนะมันจะได้มาแต่ไหนอะ่ะจะไปดิ้นรอนอย่างไรมันก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเะด<ค>ื่อมล้ําต่ำสูงกลัวกันมากนี่ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ความสุขในโลกีนี่มันก็ยังต้องอาศัยบุญกุศลนะ อย่าว่าแต่ความสุขในโลกุตรธรรมนัม่นต้องเข้าใจบางคนก็ว่าฮึความสุขเหล่านี้มันก็ได้ด้วยสติปัญญาของตนหรอกได้ด้วยการศึกษาเราเรียนมีวิชาความรู้แล้วมันก็ต้องหาเงินได้เท่านั้นเองอย่างนี้าการที่คนเราจะ มีสมองปลอดปลงศึกษาเรื่อเรียนศิลปวิทยาทางต่างนันได้มันก็ต้องมาจากการทำความดีมาแต่ฟังก่อนแต่ชาติก่อนคนพวกนั้นเขาเคยได้ฝึกฝนตนมาเคยได้ขยันหมั่นเพียรศึกษาเรื่อเรียนวิชาความรู้ต่างๆทางทางโลกทางธรรมมาอย่างนี้นะ นิสัยปัจจัยอันนั้นติดตามมาเกิดมาในะชาตินี้ก็เป็นเหตุให้สนใจในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆไม่เบื่อหน้ายนั่นแล้ววางคนเนะ่ยเมื่อชาติก่อนนนก็ทำตัวเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านการศึกษาเราเรียนไม่เอาไหน เมื่อการศึกษาเราเรียนไม่เอาไหนแล้วก็ไม่มีสติปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาแล้วทำความดีก็ไม่ได้หาเงินหาทองก็ไม่ได้เมื่อไม่มีเงินไม่มีทองเข้าของแล้วไปเอาอะไรมาให้ทานทีนี้นั่นแหละที่ท่านโบราณท่านเรียกว่าจนทรับอับปัญญาเนาะมันเป็นของคู่กันคนไม่มีปัญญาแล้วก็จนทรั์แหละ เออเพงั้นจนทั้งทรัพย์ภายนอกจนทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็จะไปสะสมให้เกิดให้มีขึ้นไม่ได้ทรัพย์ภายนอกเงินทองเข้าของอะไรก็ไม่มีเพราะไม่มีสติปัญญาจะเสเวงหานี่พูดมาถึงตอนนี้แล้วทุกคนให้ตื่นตัวการศึกษาเราเรียน การฟังโมนีไม่ควรเบื่อหน่ายควรสนใจอยากอยากรู้อยากเห็นริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นไม่ควรที่จะปล่อยตนให้อยู่ตามยะถากรรมสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนั่นน่ะก็ได้แก่ความดีต่างๆ ความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจนี่ควรรู้ควรเห็นแท้ๆควรรู้ว่าเออเรานี่มีความประพฤติ ท, ทางกายสุจริตดีหนอเรามีความประพฤติ ท, ทางวาจาก็บริสุทธิ์ดีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเรามีความคิดความเห็นทางจิตใจก็ถูกต้อง ต า, ตามทรรนองครองธรรมใจเราไม่ได้ตกไปในทางอากุศลใจนั้นมีแต่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลเช่นมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเสมอเสม อ, สมอไม่คิดเปียดเวียนใครไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่ผูกอาฆาตจองเวรกับใครมีใจสงบตั้งมั่น อยู่ภายในแล้วก็มีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจเสมอเสมอว่าสังขาร น, นามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วในเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปลผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดมีเท่านี้รูปกับนามที่รวมกันเรียกว่าร่างกายสังขารอันนี้ ในบำเพ็ญความรู้ความเห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอนี่เป็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นแท้ๆอันนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้ก็พ้นทุกไปไม่ได้เพราะเมื่อไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้มันก็มันก็รู้ผิดเห็นผิดไปว่าขันห้านามรูปวันนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยของงาม เป็นของน่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆ <c oughs> มันก็เห็นอย่างนี้แหละ <c oughs> เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่า <c oughs> เห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริง <c oughs> มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็ยึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างความยินร้ายบ้าง ความเสียใจเศร้าโศกบ้างโมอเนี่ยมันไม่ใช่มันยึดถือเอาไว้เปราะเนะ้านาเมื่อมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ทําให้ใจวันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญจุ ป, ปาดานขันธาดุฆ่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นทุกข รวบยอดเลยประเดี๋ยวอ่ ะ, อะบรรดาทุกน้อยๆทุกใหญ่ๆทั้งหลายมันก็มารวมลงดวงจิตที่มายึดมั่นอยู่ในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เองนี่มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทร ม, มะของจริงที่ควรรู้ควรเข้าใจอืม แล้วทำไมจิตใจนี่มันจึงยึดถือขันห่านิว่าเป็นตัวเป็นตนก็เพราะมันไม่รู้แย้งในขันห่าตามเป็นจริงมันจึงได้หลงยึดหลงถือเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดแล้วมันก็อยากให้ขันห่านี้เที่ยงยั่งยืนมันอยากให้ขันห่าน้สวยสดงดงามอยู่ตลอดไปหาอะไรต่ออะไรมาประดับตกแต่งไว มีเงินมีทองมาเท่าไหร่ก็ไปหาเอาเครื่องประดับตกแต่งมาตกมาแต่งมันไว้อยู่นั้นกลัวมันจะชารุดทุดโทรมไปง่ายเนี่ยความเข้าใจผิดน่ะแล้วก็เป็นทุกข์เพราะหาเงินหาทองมาหาเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนี่ก็เหลือเหลือประมาณนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้รู้แจ้งตามเป็นจริงแนละ้วเขาจะไม่ประดับตกแต่งอะไรให้หรูหรามากมาย แล้วว่านุ่งห่มตามธรรมดานี่เนี่ยคนผู้ที่มีเครื่องเฟอร์นิเจอร์มาประดับตกแต่งร่างกายนี่มากมายเนี่ยอายุไม่ค่อยจะยืนส่วนมากนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าการสำรวมจิตการฝึ ก, กจิตให้เข้าถึงความสงบระงับนี่จึงเป็นหน้าที่ของ คนเราที่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นนะสมควรที่จะฝึกจิตใจสำรวมจิตของตนสำรวมจิตนี่ให้ให้มีความรู้ความฉลาดหรือว่าสำรวมในความรู้ความเห็นที่เราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วนี่นะไม่ให้มันเสื่อม เป็นอย่างนั้นเราสำรวมไม่ให้มันเสื่อมอันนี้ยากเต็มทนนะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยแต่การบำเพ็ญความรู้ความเห็นดังกล่าวมานี้ให้เกิดขึ้นในใจนั่นทุกคนบำเพ็ญได้อยู่ถ้ า, าว่าผู้สนใจนะเพราะว่าความจริงมันมีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่มันรับรีอะไร่ะ เส้นรูปกายนี่ของไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็ไม่เที่ยงให้เห็นอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นอยู่แล้วมันทนได้ยากทนลําบากมันอยู่นิ่งๆอยู่ไม่ได้เลยต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นนั่นแสดงว่ามันทนได้ยากนะแต่ถ้าหาว่ามันไม่ทนยากลําบากอย่างนั้นมันอยู่นิ่งๆไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์เลย อันที่มันที่ว่ามันเป็นทุกข์นั้นก็เพราะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็กิน ก, ก, ก็ดืม่มเดี๋ยวก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะออะไรต่ออะไรจิพาถะเลยนี่อันนี้เรียกว่าแก้ทุกข์อันแก้ทุกข์แบบนี้นี่มันก็ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเนะ มันมันไม่ได้ยืนยาวนานอะไรเลยอ่ะร้อนมาก็ไปอาบน้ำเสียก็เย็นเย็นมาชั่วขณะหนึ่งนู่หนึ่งกลับร้อนขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าร่างกายนี้มันอาศัยธรรมชาติภายนอกเมื่อภายนอกร้อนมันก็ต้องมาสัมผัสกับร่างกายนี้ทำให้เกิดความร้อนเหงื่อไครไหลออกมาอยู่งั้นนี่ แล้วใครจะไปนอนแช่อยู่ในน้ำนู่นตลอดเวลาได้บ้านี่นั่นเนี่ยนาวมาเอาอผ้ามาหม่มพอเปิดผ้าออกก็หนาวอีกแล้วนี่แหละลักษณะของความทุกข์ทนได้ยากลําบากนะมันปรากฏอยู่อย่างนี้จริงแต่คนที่ไม่สารวมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในแล้วมันนักมันนึกมองไม่เห็นทุกข์เหล่านี้ เมื่อมองไม่เห็นมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นผูใ้ใดเมื่อมาฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่นะซึ่งจะไม่เห็นความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่มีนั่นแหละนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านั่ น, นเป็นต้นมาเหตุที่พระองค์จะเบื่อหน่ายในทุกต่างๆดังกล่าวมานี่ก็เพราะพระองค์สำรวมใจให้ตั้งอยู่ภายใน ควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้การที่ความสุขหรือความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่มันกระทบกระทั่งเข้ามากับจิตนี้เมื่อใดขณะใ ด, ดมันก็รู้กาหนดรู้ได้เวลานั้นเลยเมื่อมันกมันสัมผัสกับกับจิตนี่อยู่เสมอๆจิตนี่เพ่งดูอยู่เนี่ยมันก็ เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาเออการมาอาศัยอยู่ในร่างกายของไม่เที่ยงนี่มันน่าเบื่อหน่ายจริงเพราะว่ากระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอร่างกายอันนี้นะไม่ปกติอยู่ได้เลยนี่แ่ละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า บุคคลไม่ควรลำพึงถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วและบุคคลไม่ควรคำนึงถึงเรื่องราวที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าเรื่องที่เป็นอนาคตนั้นมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงดีชั่วสุขทุกอย่างไรยังไปไม่ถึงเลยดังนั้นจึงไม่ควรไปคาดการล่วงหน้าไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เมื่อเดือนนี้เดือนนี้เดือนหน้านั้นเราจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราจะได้อันนั้นอันนี้ไปเชื่อมั่นในสัญญาอารมณ์เช่นนั้นไม่ถูกต้องเลยถ้าไปคาดการไม่ถือมั่นอย่างนั้นเมื่อไปได้ตามเป้าหมายก็เดือดร้อนแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันก็ล่วงมาหมดแล้ว เป็นดีเป็นชั่วอะไรต่ออะไรมันก็เป็นมาแล้วมันก็ร่วงมาแล้วมันดับไปแล้วเรื่องอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจึงไม่ควรกําหนดระลึกถึงแต่เรื่องอดีตมาเป็นอารมณ์ไม่ควรฟื้นเอาเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์ เพราะมันจะก่อให้เกิดความเสียใจดีใจเอ่อถ้าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีก็ปลื้ม อ, อกปลื้มใจถ้าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเสียใจก็เกิดเสียอกเสียใจโทรมานัดครับแค้นใจขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรการนึกถึงเรื่องอดิตที่ล่วงแล้วมาไม่มีนั้นแหละก็จึงต้องเตือนตนบ่อยๆเขา ให้มากำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้สำรวมจิตให้ตั้งลงในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งดูร่างกายอันเป็นปัจจุบันอยู่เนี่ย hmm. เห็นจิตของตอนตั้งมั่นอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็พยายามควบคุมพยายามสำรวมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้อ hmm. พยายามสำรวมรักษาความรู้ความเห็น ตามเป็นจริงอย่างไรที่ตนได้กําหนดพิจารณารู้เห็นจริงอย่างนั้นไว้อย่าให้ความรู้ความเห็นนั้นมันเสื่อมจากกิจนี้ไปเมืม่อตอนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามอะไรเลยเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกปฏิกูลอย่างนี้นะก็ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้น ไอ้ที่ว่าสวยว่างามนั่นสวยงามเพราะการประดับตกแต่งท่างหาแต่เนื้อแท้ของร่างกายอันนี้แล้วไม่มีอะไรสวยงามเราต้องเพ่งเข้าไปดูจนถึงความจริงของรูปกายอันนี้นี่นะเมื่อเห็นจริงแล้วก็รักษาความเห็นอย่างนี้ไว้ความรู้อย่างนี้ไว้อย่าให้เสื่อมหมายความว่าอย่างนั้น ก็เมื่อร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์ทนยากลาบากอันนี้เราก็กาหนดรู้อยู่แล้วเห็นอยู่ว่ามันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ดังกล่าวมานั่นเลยก็ให้รู้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นจิตใจมันจึงจะไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นคาราหัดแล้ว มันก็จะไม่หลงไปผิดจากศีลจากธรรมไปแม้เป็นนักบวชก็เหมือนกันแหละมันก็จะไม่ร่วงทรร่วงวินัยเมื่อมันเห็นความจริงของสังขาร น, นามรูปทั้งที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีปณิสุขขุมอะไรก็ตามเนี่ย มันจะไม่หลงไม่ไหลไปตามเมื่อมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างว่านี่นะก็รูปนามะเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังใครๆก็รู้อยู่สำหรับผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละก็รักษาความรู้อันนี้ไว้ความเห็นอันนี้ไว้เพราะว่าความจริงของร่างกายนี่มันมีอย่างนั้นจริงๆ มันไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยใครๆจะปรารถนาให้รูปกายนี้เป็นไปตามใจหวังมันไม่ได้เออขอให้รูปกายนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องประดับตกแต่งอะไรก็ขอให้สวยอยู่นั่นออไม่ต้องอาบน้ําชําระกายอะไรก็มี ความสะอาดอยู่นั้นร่างกายเนี้มีกลิ่นหอมอยู่นั้นอย่างนี้นะบุคคลปรารถนาเช่นนั้นน่ะจะได้หรือจะเป็นไปตามใจหวังหรือไม่มีทางนั่นเนี่ยแล้ว อ, อาบน้ําคราวนี้แล้วถูสบู่ให้สะอาดสะอ้านดีแล้วกลิ่นตัวอะไรก็ที่ไม่ดีก็ระ ง, งับไปแล้ว เอาไปไฟนอนหนึ่งมันเกิดเหงื่อไขไหลออกมาเนี่ยส่งกลิ่นออกมาพร้อมแล้วอ่าพอไปอาบน้ำขัดถูอยู่อย่างนั้นเลยร่างกายอันนี้ถ้าผู้มีสติสมัมปชัญญะอยู่กับกากับอยู่กับตัวแล้วหรอมันจะเห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนี้มันจึงได้เบื่อหน่ายจึงได้คลายความกำหนัดยินดี ออกไปนั่นเองเลยแต่ที่มันไปหลงกําหนัดยินดีอยู่มากมายอยู่นั้นจนว่าถอนตัวออกจากความกาหนัดยินดีอันนี้ไม่ได้นะก็เพราะมันไม่ได้เพ่งพิจารณาให้ติดติดต่อต่อกันไปนะให้ให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะ ไม่ได้รักษาความรู้ความเห็นในปรากฏติด ต, ต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงบรรเทาราคะของกำหนัดยินดีต่างๆไม่ได้ถ้าเป็นนักบวชก็ประพฤติผอมอาจารย์ไปไม่ตลอดถ้าเป็นคลือหัดก็จะไปเป็นคนมีหลายเมียหลายผัวเข้าไปแล้วไปประพฤตินอกใจผัวผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ไปประพฤตินอกใจเมีย ออไปสมสู่กับหญิงอื่นมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ออ่ไม่ไม่รักษาความรู้ความเห็นที่ตนได้ยินได้ฟังหรือได้พิจรารณาเห็นมาแล้วแต่แต่ประมาทไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจติดต่อกันไปนะอมันก็เป็นเหตุให้ เกิดวความกำหนัดยินดีพอใจจนเป็นเหตุให้ทำบาปเพราะความกำหนัดยินดีอันนั้นได้อา้าวคราใดเพียงพารณาเห็นอย่างนั้นก็เบื่อหน่ายไปแต่เมื่อไม่สามารถจะรักษาความรู้ความเห็นอย่างนั้นไว้ได้เผลอๆตัวอ้าวมันก็กลับเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไปเกิดวความกำหนัดยินดีไป เช่นนี้แล้วมันจะเอาความสุขเป็นปกติมาได้อย่างไรอ่ะความสุขทางขิตใจนี่นะเนี่ยมันมันมันจะเป็นสุขไม่ได้เลยมันก็เป็นสุขแต่เวลาที่ได้สิ่งที่ตนต้องการมานะตามประสงค์นั้นเท่านั้นแหละเมื่อสิ่งที่ตนต้องการได้มานะั้นมันแปลสภาพเป็นอย่างอื่นไปก็เสียใจ รับแค้นใจขึ้นมาเดี๋ยวก็ดิ้นไปหาใหม่เมื่อได้มาแล้วหนอนหนึ่งของใหม่เนะี่ยกลายเป็นของเก่าสุดโทมไปอพอหาใหม่อยากได้ใหม่อันยาความอยากในหัวใจของมนุษย์เราเพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้กำกับอยู่ มันไม่มันไม่ให้เบื่ออวิชชานั่นนะมันให้อยากได้เลือ้อยไปอยู่นั่นเนะี่ยแต่ว่าทีนี้ความอยากเรานั่นนะ่ะมันหาสมหวังทุกอย่างไปไม่อยากได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่เราไปเสเวงหาน้อยอย่างที่จะได้สมหวังเลยดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องให้พากันเข้าใจอย่างนี้อันนี้ตัณหาให้เกิดทุกข์ก็มีตัณหาแปลว่าความอยากเอาอยากมีความสุขกายสบายใจอย่างนี้นะก็อย่าไปทำบาปส่นั่นแหละอย่าไปทำความชั่ว อย่าไปทบุบอย่าไปตีผู้อื่นอย่าไปฆ่าผู้อื่นนี่ในสำรวมมือเท้าด้วยดีเมื่อไปเมื่อไ่ไปทบุบไปตีไปฆ่าผู้อื่นเจ้าหน้าที่เขาจับได้ฟ้องร้องติดคุกติดตารางนะั่นนั่น น, น, นั่นแหละความไม่สำรวมใจปล่อยให้ตันหามครอบงำความอยากอันเป็นไปในทาง ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษมันเป็นองนั้นที่ถ้าไม่อยากไปอย่างนั้นซะเมื่อตนอยากมีความสุขอยากอยู่ดีกินดีอย่างนี้ก็อย่าไปทุกขไปตีผู้อื่นอย่าไปหยิบไปฉวยเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าไปชอบไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าไปหลอกลวง<อ>ตบ สามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาในทางวาพณีอย่าไปกล่าววาจาโกหกพกกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นเพณนของตนด้วยวาจาหลอกลวงต่างๆอย่าไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนรวมความแล้าวาอย่าไปกระทําความชั่วห้าอย่างนี้นี่ เมื่อไม่ไปทําความชั่วห้าอย่างนี้แล้วการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นนั้นไม่มีโทษอะ่ะถ้าเว้นโทษห้าประการนี้ได้แล้วทําอะไรก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยทีเดียวอะ่ะเมื่อไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้นะมันก็มีตั้งแต่เมตตาการุณาช่วยเหลือเกื้อกูลอ่ซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองเนี่ย เมื่อไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนแล้วนะมันก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสงฆ์ข้อสงหากันไปการสงข้อสงหากันมันก็เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการผูกมิตรในตรีจิตต่อกันและกันไว้ได้นั่นก็เมื่อไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นไม่ไปช่อไปโกงไปลักไปล่อเอา ของเพื่อนเราเป็นของตนอย่างนี้บุคคลผู้นั้นก็ย่อมคิดพึ่งตัวเองนี่นั่นนี่ไม่ต้องไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีกายสมบัติวาจีสมบัติมโนสมบัติอันนี้มาแล้วตนจะต้องใช้สมบัติอันนี้แหละสร้างเอาสมบัติภายนอกเข้ามามาบำรุงตนบ้างบำรุงผู้อื่นผู้อื่นบ้างเหล่านี้นะนั่น เมื่อมันไม่คิดไปแย่งสิ่งเอาสมบัติผู้อื่นแล้วมันก็คิดพึ่งตัวเองศึกษาหาความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานต่างๆให้ได้อย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อมีความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานนั้นๆแล้วก็ลงมือทำฝึกไปเมื่อมันชำนิชำนาญไปทำงานเหล่านั้นมันก็ได้ดีขึ้นเมื่อมีงานก็มีเงินเมื่อมีเงินแล้วก็ มีงานบรรดาลสุขเขาว่านั่นนะมันเป็นความจริงแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะบุคคลยึงชื่อว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาเมื่อเราอยากมีความสุขก็ขยันหมั่นเพียรทําการทํางานหาเงินหาทองได้มาแล้วก็เลี้ยงตนบ้างเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้างแบ่งกินแบ่งทานบ้าง ก็ได้บุญได้กุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามตนไปนเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้มีบุญหนักสักใหญ่ที่ได้สั่งสมรมมาแต่ชาติก่อนเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญกุศลนี่ยมานกรมดลบันดาลให้เบื่อนายต่อความเป็นอยู่ในโลกผู้บริโภคกรมคุณเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากเหลือ ที่จะพัน น, นาเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์นาณาประการรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นี้แล้วก็ยอมสละความสุขในโลกีนันเสียเอาตนเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ประพฤติผมวจันทร์ไปด้วยดีสำรวมกายวาจาใจของตนด้วยดี ไม่ล่วงวิญัยประพฤติธรรมะให้เจริญงอกงามขึ้นในตนประพฤติศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาประพฤติธรรมทางใจอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นใจที่ยังไม่ตั้งมัน่นต่อกุศลธรรมก็พยายามอบรมให้มันตั้งมั่นลงไปพยายาม ประครับประคองจิต ท, ที่ตั้งมั่นแล้วให้มันสม่ำเสมอไปอย่าให้มันวิตกวิจารไปในทางบาปอาคุสน hmm. ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเรื่อยไปนี่บุคคลมาเห็นโทษแห่งกิเลสทันหาเอาตนออกบวชแล้วอย่างนี้มันต้องสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม ต้องรู้ว่าความคิดที่เป็นอกุศลก็รู้อย่างนี้นะความคิดที่เป็นกุศลก็รู้ถ้าจะว่ า, ากุศลส่วนละเอียดหรือว่าอกุศลส่วนละเอียดแล้วเช่นความคิดกำนัดยินดีไปในกามคุณในรูปในเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานั่ น, นะมันก็เป็นอกุศลทำอย่างหนึ่งพูดถึงธรรมชัตนละเอียดแล้วเป็นอย่างนั้นนะ มันเป็นอกุศ่วิตกอ่ะอืมคิดพยายามบัดจองเวียนผู้อื่นแต่ไม่ได้ลงมือทําหรอกมันก็เป็นอกุศ่วิตกอันหนึง่งนี่มันต้องคิดถ้ามันเห็นอย่างนั้น <c oughs> คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ถึงกับให้ล้มให้ตายอะไรโมนี้นะมันก็เป็นอคูส่ววิตกทางนั้นเลยดังนั้น จะ ต, ต้องสำรวมระวังความวิตกเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดมีขึ้นในใจได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมอากุศลวิตกไม่ได้สร้างอากุศลวิตกให้เกิดขึ้นในใจบันนี้ความคิดความวิตกกลงกันข้ามนั้นนะดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละความคิดมาเห็นโทษแห่งกามมาคุณแห่งกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆโมรี่ ว่ามันให้ทุกข์ให้โทษนานาประการดังบารายามาแล้วนั่นมันก็เป็นกุศลวิตกอย่างงั้นความคิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความคิดให้อภัยแก่บุคคลที่เป็นศัตรูต่อตนเองหรือแม้แต่สัตว์สิงห์ดิรัฉานก็เหมือนกันสัตว์ที่มีพิษมันกัดมันต่อยเอา อ, อะไรเราให้อภัยมันไม่โกรธมันไปอย่างนี้นะ ความคิดเหล่านี้มันก็เป็นกุศลวิตกมันเป็นกุศลวิตกเลื่อยไปแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในใจของคนเรานี่นนะจะให้มันสงบนิ่งนิ้งอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ดอกให้เข้าใจเหตุดังนั้นที่ว่าการเจริญวิปัสสนานี่นะก็ให้พึ่งเข้าใจเหตุผลดังกล่าวานั่นเลยว่า เมื่อใจมันอยากคิดอยากพิอยากคิ ด, อ ย, คดอยากนึกอย่างนี้ก็ให้มีสติกำหนดคิดกำหนดพิจารณาให้มันเป็นไปในทางกุศลธรรมดังกล่าวมานั่นแหละอย่าให้มันวิตกวิจารณ์ไปในทางอากุศลธรรมนี่ถ้าหากว่าเราประคับประคองขิดให้คิดให้พิรณาอยู่ในทางกุศลธรรมอย่างนี้นะมันก็ไม่มีโทษอะไรนี่ มีแต่ให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไปเรื่อยๆจิตนั่นก็ไม่เดือดร้อนนะมันก็รู้จักประมาณในการคิดด้วยแบบนี้นะอา้าวถ้ามันชอบอยากจะคิดก็คิดอยู่ในเรื่องอความดีทางต่างดังกล่าวมานั่นนหละแล้วเมื่อคิดพอสมควรได้อย่างนี้เห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนั้นนั่นแหละกรรงก็วางให้มันหยุดนิ่งอยู่มันก็อยู่ถ้ามันคิด ไปพอส ม, าสมวาสสมควรนะนะมันรู้แจ้งในเรื่องนั้นแล้วมันอิ่มในเรื่องนั้นแนละ้วมันก็หยุดแหละวันนี้นะเอมันก็นิ่งอยู่ได้โดยนิ่งอยู่กับความรู้นะออนิ่งอยู่กับความรู้แจ้งนะนั่นท่านเรียกว่า <c oughs> วิหารธรรมเรามีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจนัง กล่าวมานั้นอืมให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วพยายามปฏิบัติไปตามทางที่เรามองเห็นว่ามันถูกต้องนั้นแล้วมันก็จเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเละอยการจเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาหมู่นี้นะ ล้วนแต่เป็นการบำเพ็ญกุศลธรรมให้เจริญขึ้นในดวงกิจน้ทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นนะเพราะบุญกุศลเราน้อยนี่แหละมันจึงไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่าบุคคลผู้เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลความดีต่างๆมามากเข้าไปเข้าขั้นแล้วไม่ฟังแหละมันต้องได้บรรลุธรรมของจริงแน่นอนทีเดียวเหมือนอย่างบุคคลผู้ตักน้ำใสโองค์ใสไห้ยอย่างนี้นะฝักเพียรพยายามตักใสเข้าตักใสเข้าไม่ทอไม่ถอย มันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นน้ำนั่นนะในที่สุดมันก็เต็มเมื่อมันเต็มแล้วตักใส่อีมันก็ล้นหมดเนี่ยนั่นมันจะไม่ไม่สามารถจะขังอยู่ในองค์ในไหนั่นได้เลย น, นอกนอกเหนือจากนั้นนะมันก็ล้นหนีแล้วอันน้ำใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอันนี้ เมื่อมันเห็นแจ้งในส่วนโลกีนี่ตามไม่จริงแล้วว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายความเป็นอยู่ในโลกอันนี้ไม่น่ายินดีพอใจอะไรเลยอย่างนี้อืาเป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางอย่างนี้นะมันก็ปล่อยก็วางอืะไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไว้ จิตใจนี่มันก็มันก็หลุดพ้นไปจากความยึดความถือหลุดพ้นไปจากความไม่เที่ยงหลุดพ้นไปจากความเป็นทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนหลุดพ้นไปจากความสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้เลยนั่นแหละก็ถึงถึงซึ่งความเที่ยงยั่งยืนได้แก่อริยสัจธรรมคือธรรมของจริง อันไม่ตายในโลกดังแสดงมา